หลักการปฏิบัติตามในยะแห่งคำพีวิสุทธิมัคต่อไปนี้คือสรุปสาระสำคัญของวิสุทธิมัคทั้งหมดระดับศีลอธิศีลและศิขาศีลละวิสุทธิความหมดจดแห่งศีลคือปฏิบัติ ด, ดีเลี้ยงชีวิตถูกต้องมีศีลบริสุทธ์ตามภูมิขั้นของตน คำพีวิสุทธิ์ที่มากกล่าวมุ่งเฉพาะการปฏิบัติของพระภิกษุหมายเอาปาริสุทธิ์ที่ศีลสีคือหนึ่งปาฏิโมกขสังวรศีลศีลคือความสำรวมในพระปาฏิโมกเว้นจากข้อห้ามทำตามข้ออนุญาตรักษาวินันประพฤิเคร่งรัดในสิขาบททั้งหลาย 2. อินทรียสังวรศีศีคือความสำรวมอินทรีย์ได้แก่ระวังไม่ให้อกุศลธละธรรมความชั่วครอบงำจิตใจในเมื่อรับรู้อารมณ์ด้วยอินทรีย์ทั้งหกอาชีวะบริสุทธิ์ที่ศีสีคือความบริสุทธิ์แห่งอาชีวะ ได้แก่เลี้ยงชีวิตโดยทางชอบธรรมและ 4. ปัจจัยสันนิสิตาศีลสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสีได้แก่การใช้สอยปัจจัยสี่ด้วยปัญญาพิจารณาให้เป็นไปตามความหมายและประโยชน์ของสิ่งนั้นๆไม่บริโภคดยตัญหาบางทีก็เรียกว่าปัจจยะปฏิเสวนาีิน นอกจากศีลท่านแนะนำให้เลือกสมทานคือถือทุดง13บาบางข้อที่ทรงอนุญาตและเหมาะกับตนเพื่อส่งเสริมความมักน้อยสันโดษสงัดเพียรและเลี้ยงง่ายเป็นต้นเป็นการขัดเกลากิเลสอันจะช่วยให้รักษาศีลได้บริสุทธิ์เป็นอย่างดีและช่วยให้บำเพ็ญข้อวัดทั้งหลายได้สำเร็จพร้อมเป็นการเกื้อกูลแก่ภาวนาต่อไป ระดับสมาธิอธิจิตตสิกขาจิตตาวิสุทธิความหมวดจดแห่งจิตคือฝึกอบรมจิตหรือพัฒนาคุณภาพและสมรรถภาพของจิตจนเกิดสมาธิพอเป็นบาตรหรือประทัดฐานแห่งวิปัสสนาคำพีวิสุทธิมักว่าได้แก่อุปจารสมาธิ จนถึงอัปปนาสมาธิในฌานสมาบัติทั้ง8และแสดงวิธีเจริญสมาธิจนถึงได้ผลพิเศษคือโลกิยะอภิญญาทั้งห้า